แล้วกจิตหรือธรรมตามเรือนเนี้คงจะได้ได้ที่ว่าคร่าวๆได้เรื่องราพอเป็นคร่าวๆเพื่อเป็นแนวทางของชีวิตในสิ่งที่จะกำหนดชีวิตของตนเอง ธรรมะพระพุทธองค์นั้นสอนให้ให้เรานั้นกําหนดชีวิตไม่ใช่ปล่อยไปตามลักษณะของชีวิตที่ไหลตามกันมาพุทธเจ้าท่านท่านเกิดมาเป็นชีวิตเหมือนเหล่านี่แหละแต่ท่านทักทวงชีวิตของท่านจนชนะภัยทั้งปวงหรือว่ารู้ได้ทุก อ, อย่าง เช่นอย่างสมมติว่าพระเจ้าทรงสเสด็จออกจาก ก, กบบรุงกบิยปัตไปกับนายฉันนะมีม้า ก, กัญชาในการเดินทางทรงเห็นคนแก่ตกใจเลยเอ๊ะทำไมมีคนแก่เนี่ยเพราะในวังไม่มีคนแก่ คนแก่ที่อยู่ในสภาพที่ใช้การไม่ได้แล้วเราเคยเห็นคนแก่ที่ตกใจไหยไม่เคยเลยแก่ก็คือแก่ไปสิเรื่องของคนแก่แต่ไม่ดูเลยว่าเราจะต้องแก่บ้างบางทีไม่ได้คิดเลยแต่พระเจ้าทรงสงบแล้วเอ๊ะทาไมามีคนแก่ก็ถามทันนะว่าทาไมามีคนแก่คนนั้นเป็นยังไงทำไมาเป็นอย่างนี้ ทานน่านก็บอกว่านี่แหละเขาเรียกว่าคนแก่เมื่อก่อนนี้เขาก็เหมือนกับคนหนุ่มคนสาวเหมือนอย่างับพระองค์นั่นแหละแต่ตอนนี้เป็นคนแก่โอ้ก็ปรงเลยโอ้โหต่อไปแล้วก็ต้องเป็นอย่างนี้เด็ดสิเนี่ย เราก็ต้องแก่ทีเนี่ยตกใจเลยแล้วก็เดินไปไปพบคนเจ็บอีกก็ถฐานธนะว่าทไาไมเขาเป็นอะไรนะ่ะทาไมนอนโคลนพรางนะตัวมีกตัวงอง อ, อยู่อย่างนั้นนะ่ะเขาเป็นอะไรอนะ่นนะธนาก็บอกว่านั่นแหละเขาเรียกคนเจ็บ คือต่อไปพระองค์ก็ต้องเจ็บเหมือนกันก็ตกใจอีกตายแล้วเราต่อไปเราก็ต้องเป็นอย่างนี้คือเราต้องเป็นคนเจ็บตัวอีกตัวงอตัวตันอยู่อย่างเงี้ยแล้วเราอะ่ะเราเคยเห็นคนเจ็บแบบเคยปลงไปเลยเคยตกใจถ้าเราเคยเคยเค ย, เ, คยเราก็เคยเห็นคนเจ็บนะหรือแม้แตไปโรงพยาบาลนอนก็เป็นแผล สารพัดโรคที่จะเกิดขึ้นกับเรื่องของความเจ็บแล้วก็เดินต่อไปไปเจอคนตายอีก<ม>เขาลังหามคนตายไปเผากันเขาถามว่าเขาทำอะไรนะั น, นะเขาหามคนนั้นนะไปทำอะไรนะบอกว่านั่นเนะี่ยที่เขาหามนะคนตาย เขากำลังจะเผาและเผากันอยู่มีกองเพลิงพระองค์ก็ต้องเป็นอย่างนี้ต่อไปคือต้องตายแล้วก็ต้องถูกเผาองค์พระสิทธถาก็เข้าไปที่กองฟอนที่เขาเผากรรมที่เท่าขึ้นมา แล้วก็กลับพระราชวังขณะที่กลับไปก็พอดีพิมพาคลอดพอดีเลยเจอคนเกิดอีกถามว่านี่คืออะไรเนี่ยธนาก็บอกนี่แหละคนเกิดกรรมที่เท่าไปให้พระสุโธธนาดูว่าชีวิตมนุษย์เป็นอย่างนี้เหรอ ชีวิตคนเราเป็นอย่างนี้เหรอมีแค่นี้เหรอพระสุโทธนะตอบปัญหาไม่ได้ให้ความจริงแก่อบออวสิตะ ถ, ถาไม่ได้หรือว่าพระราชกุ ม, มารไม่ได้มานั่งคิดเอาเองเลยก็เกิดคำนี้ขึ้นมาว่า คนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายแล้วมีไหมที่ไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายตั้งปัญหาขึ้นมีจะต้องไม่มีเมื่อมีจะต้องไม่มีนี่นี่นี่นี่นยกยกให้ฟังถึงลักษณะว่าผู้มีปัญญาผู้มีบรารมี พบเห็นอะไรก็จะคิดพิจารณาขึ้นหันมาดูตัวเราเราเห็นอะไรพบอะไรพิจารณาม้างหรือเปล่ า, าไม่ต้องอะไรยกตัวอย่างให้ฟังให้เห็นชัดๆเลยเดี๋ยวนี้ผู้บรรยายกาลังบรรยายเรื่องธรรมภาษาธรรมที่เขาเรียกภาษาสูงแล้วเราได้ยินเสียงอะไรเห่าไหมนะ่ะ นั่นเขาเรียกว่าภาษาต่ำเรามีสิทธิ์ไหมมีสิทธิ์ที่จะอยู่ในภาษาต่ำไหมแน่นอนสักวันหนึ่งถ้าประมาทก็มีสิทธิ์สู่ภาษาต่ำเหมือนกันเกิดขึ้นจากอะไรเกิดขึ้นจากเราพกไม่คิดไม่พิจารณาถึงเรื่องความสูงและความต่ำเหมือนกับคาว่าพระอรหันต กับปุถุชนหรือเห็นผู้พ้นธรรมผู้พ้นกรรมกับผู้มีกรรมอย่างเช่นพระพุทธองค์เนี่ยเราเรียกกันว่าท่านเป็นผู้พ้นกรรมเรามีกรรมคิดไหมว่าผู้พ้นกรรมเป็นอย่างไงแล้วก็ผู้มีกรรมเป็นอย่างไงเคยคิดไหม ทำหลักนี้ทำที ท, ทีให้เรานั่นมีสติสัมปชัญญะมีจิตสำนึกมีความรู้สึกในการที่จะรับผิดชอบชีวิตขึ้นชีวิตของเราเราต้องรับผิดชอบเหมือนอย่างพุทธองค์ทรงรับผิดชอบชีวิตของท่านและท่านก็นแนะนำสัง่งสอนใหพ้พุทธบริษัทได้รับผิดชอบชีวิตของตอนเองไม่มีใครทำให้ใครได้ทาดีหรือไม่ดี เกิดในลักษณะอะไรมนุษย์เทวอินทรมหรือว่ า, า, า, า, า น, นการกสัตว์เปรตอาศัายเราเป็นคนทำทางนั้นไม่มีใครทำให้เลยทำไมจึงเกิดเป็นสัตว์เพราะเราไปด่าพ่อด่าแม่ติดเตียงพระพุะทธธรรมพระสงฆ์เบียดเบียนเพื่อนเกิดเพื่อนตายที่เคาเรียกว่าจิตวิรคะ เราจะเกิดเป็นศัตว์ขึ้นใครละทำให้เราเราทำเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาอยู่ตรงนี้ก็คือมาแนะนำสั่งสอนหรือว่าชี้แนะให้ทุกคนนะ่มีความรู้สึกสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันโดยชี้ไปสู่ลักษณะสิ่งหนึ่งผู้รู้ก็คือปกะพุทธองค์ สิ่งหนึ่งผู้ไม่รู้คือตัวเราเมื่ อ, อไรจะเข้าใจให้เดินทางไปแปดสิบปีก็ไม่เข้าใจถ้าเราไม่พิจารณาหรือไม่สร้างความเข้าใจขึ้นกับผู้รู้เพราะฉะนั้นเรื่องของจิตนะซึ่งกล่าวมาตั้งแต่ทีแรกเลยว่าต้องเรียนรู้และสร้างความเข้าใจให้มาก ไม่ใช่ไม่ใช่เฉพาะมาสร้างความเข้าใจในท่าสมาธินั่งสมาธิเดินสมาธิยืนสมาธิไม่ใช่อย่างนั้นอันนี้ก็เป็นบทหนึ่งที่ที่กำลังระดับเรื่องราวของจิตกับสิ่งที่อยู่ใกล้ๆจิตที่เขาเรียกว่าละเอียดนิดนึงตอนนี้ว่าเอออยู่นิ่งๆก็มีไอ้นั่นเข้ามามีไอ้นี่เข้ามาแต่ในขณะที่เราเดินไปเดินมาเคลื่อนไหวไปมาในลักษณะของท่าเคลื่อนไหวแล้วก็ต้องพิจารณาเหมือนกัน เราทําอะไรเราคิดอะไรเราพูดอะไรและสิ่งที่เราพูดนั้นเป็นอะไรสิ่งที่เราคิดเป็นอะไรสิ่งที่เราทําเป็นอะไรเราก็ต้องพิดจะอะไรไม่งั้นเราจะแยกแยคะคำว่าอารมณ์กับจิตไม่ถูกที่เขาเรียกว่าเรามีพระธรรมเป็นผู้นําสอนพระพุทธเจ้านั้นเพียงเพียงประธาน เป็นพระปฏิมากรที่เป็นลักษณะรากฐานขององค์ศาสนาแต่ท่านจะปรารุกขึ้นไม่ได้นะท่านจะมาเอ่ยมาสอนอะไรเหมือนอย่างกระผู้บรรยายนี้ไม่ได้นะท่านเปลียนเพียงองค์พระปฏิมากรเป็นรูปชนิอาเป็นรูปอย่างหนึ่งที่เรียกว่าตัวแทนแห่งองค์พระขวาเมื่อครั้งอดีตเท่านั้นแต่ว่าพระพุทธองค์นั้นทรงกล่าวไว้อย่างไรเราจะเอาเรื่องราวต่างเหล่านั้นมาเป็นลักษณะสอดขึ้น เราเรียกกันว่ารธรรมสร้างความเข้าใจให้เป็นพระสงฆ์คือแนวทางขึ้นเพราะเรากําลังเดินอยู่ในคาว่าพระสงฆ์คือแนวทางนั่นเองนะต้องลำดับนะไม่ใช่ฟังแล้วนิ่งไม่ใช่ฟังแล้วเฉยฟังแล้วต้องแขวงใหรือต้องพิจารณาเพื่ออะไรเพื่อหนึ่งให้เกิดเป็นความรู้สอง เพื่อให้เกิดเป็นความเข้าใจถึงเหตุผลคือคุณละโทษข้อที่สามเพื่อให้รู้จักแนวทางที่าเป็นกรรมและเป็นธรรมเขาต้องการอย่างนั้นต้องการอยากให้ผู้ปฏิบัติทั้งหลายนั้นรักษาตัวเองเหมือนอย่างที่พระเจ้ากล่าวว่าธรรมโมลกติธรรมจาริงผู้รู้จักธรมรมธรรมก็ย่อมรักษาผู้รู้ ถ้าเราไม่รู้ทำรักษาได้ยังไงวัดเจริญทำรักษาให้ได้ยังไงสถานที่รักษาให้ได้ยังไงผ้าเหลืองรักษาให้ได้ยังไงรักษาให้ไม่ได้หรอกถ้าผ้าเหลืองไม่รู้จับสถานที่ผ้าเหลืองไม่ใช่ปฏิกิริยาที่จะให้เรารู้จะไปรักษาความประพฤติเราหรือว่าสถานที่หรือแม้แต่พระพุทธองค์เนี่ยในตู้เนี่ย ถ้าเรารักษาเราไม่ได้ถ้าเราไม่รู้ไม่เข้าใจรู้และเข้าใจตังหกที่จะรักษาตัวเราให้อยู่ในวงวงเขตของการนนขอนิใัยหรือฝากหนิใส่แล้วจะฝากตลอดไปหรือจะฝากสามสิบนาทีอ่าสามเดือนแล้วก็แล้วแต่เถอะแต่เราจะต้องมีสิ่งเหล่านี้รักษาไว้ก็คือ รู้จักรักษากายรู้จักรักษาวาจารู้จักรักษาจิตที่เขาเรียกว่าศีลรู้จักรักษากายรู้จักรักษาวาจารู้จักรักษาจิตเขาเรียกว่าสมาธิมีปัญญาป้องกันเรื่องราวต่างๆที่จะเกิดขึ้นทางกายทางวาจาทางจิตนี่เขาเรียกว่าปัญญานี่เป็นลักษณะอย่าง ถ้านั่งเมื่อยก็สลับได้นะเพราะเราเพราะว่าอ่าผมเองมานั่งตรงนี้ก็คือมามาให้ข้อคิดนิดๆหน่นอยๆประมาณสักชั่วโมงนหนึ่งเดี๋ยวผมก็จะไปแล้วละ่ะผมก็จะให้อีกองหนึ่งทันท่นนะที่แทนแลเลยเลยเขาโอกาสเออวันนี้วัน น, น, นี้หน้าที่ของพัพเปิ้ลเลยบอกท่านเปิ้ลเดี๋ยวผมจะลงไปสักชั่วโมงหนึ่งไปย้ํา พยายามเรื่องราวต่างๆที่ที่เขาสอนสอนกันอะไรคือคือไม่ใช่ว่าผมไม่ใช่ว่าผมให้นั่งสมาธินิ่งอย่างนั้นเลยนะข ย, ยับเพื่อจะไม่ได้นะไม่ใช่หรอกคือตอนนี้เขาเรียกว่านั่งฟังนั่งฟังทำคำรราําบัญญาตว่าเราพบธรรมแล้วเราจะต้องสร้างความเข้าใจในสิ่งที่เราพบธรรมได้อย่างไรตอนนี้เวลาเราพบธรรมสร้างความเข้าใจในธรรมจะรู้จักคําว่ากรรม ก็คือตัวเราพระเจ้าท้าไม่มีกรรมแล้วเราต้องหามีกรรมพระเจ้าไม่มีทุกข์เราต้องหามีทุกข์แต่สิ่งที่เรียกว่ากรรมหรือทุกข์นั้นพระเจ้าผ่านมาแล้วแต่ถ้าข้ามพ้นไปแล้วเป็นสมุทเฉดแล้วเราเรียกมันว่าเป็นพระอาหารไกลาจากกิเลสแล้วเป็นพุทธโธไปว่าผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้ว เป็นโลกุตระ ท, ทำก้าผ่านพ้นไปแล้วก็คือพระโสดาพระสกาาินาคานาคาอรหัตเรียกว่ามรึกแล้วก็พระโสดาสกาาินาคานาคาอรหัตเรียกว่าเรียกว่าผลท่านทำก็ท่านสาเร็จแล้วเรียกว่ามรึกสี่ผลสี่สุดท้ายคือพระนิพพานคือดับสูงขันทนิพพานกิเลสนิพพานานะท่านดับไปหมดแล้วถ้าไม่มีขันแล้วถ้าไม่มีกิเลสแล้วเราเรียกว่า ขันท่านนี้่านกิเลสนิพพานซึ่งเวลานี้ยังอยู่อีกขันหนึ่งที่เราเราเรากําลังพูยกันอยู่ก็คือธรรมคากล่าวคําสอนพระเจ้าเวลานี้เป็นธรรมยังไม่นิพพานเพราะฉะนั้นถ้ายัางไม่นิพพานเราก็ยังมีคําสอนที่จะสอนให้เรารู้ดีรู้ชั่วรู้เอรรู้กรรมรู้การเกิดการเกิดการเกิดการดับการจุตติการไปสุนที่อยู่ถ้าสิ้นสุดสิ้นสุดเมื่อไหร่ เขาเรียกว่าทา่ามิพังก็จะตายเป็นลักษณะความว่างของโลกเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าก่อนจะเกิดมาเนี่ยโลกนี้ว่างถึงสี่อสงค์ไขไม่มีไม่มีพระพุทธเจ้ากัดขึ้นหรือว่ากัดสะลุอะไรขึ้นในโลกเลยว่างถึงสี่อสง์ไขย ไม่มีศาสนาเรียกว่าอย่างคําสอนอย่างงี้ไม่มีหรอกจะมาสอนเรื่องจิตเรื่องอารมณ์เรื่องเวเรื่องกามเรื่องคบเรื่องภูมิเรื่องชาติเรื่องเกินเรื่องดับเรื่องจุติไปสนที่ไม่มีก็ถือผีถือสารมาไปถืออะไรมีอะไรอยากจะยึดถือก็ถือไปเหมือนสมัยนี้ก็ยัมีเยอะแยะไปคนที่ยึดถืออะไรต่ออะไรที่ไม่ไม่ไม่ชอบมาพาคนหรือไม่เป็นสารละก็เยอะแยะไป ก็ยังมีให้แล้วพบเห็นเช่นอยู่ๆก็ไปไหว้ต้นไม้อยู่ๆก็ไปไหว้ภูเขาอยู่ๆก็ไปไหว้เจ้พอเจ้แม่อยู่ๆก็ไปถือถือหน่อยไปเครื่องรางของขังยิงไม่ออกปันไม่เข้าอลไรก็วางมันตาก็ยังมีอยู่ให้พบเห็นนี่ในศาสนาพุทธนะเราไม่พูดถึงศาสนาอื่น ปัญหาอืก็มีมากันไปทไปเะกินไปเฮก็ไปไล่แล้ ว, ลาลวตายแล้วไปไปไ ป, ไ ป, ไ, ปไปสู่อ้อมอพระเจ้ามันมีบามีกรรมแล้กินกินเข้าไปา ก, กินินแล้วกินไปอยาทแล้วทไปไม่สารภาพอาปะแล้วก็เดี๋ยวไปตายไปก็ไปอ้อมไปสู่อ้อมอพระเจ้าไปเชื่อไปกินเินไปทาเถินไปอบางทีก็ ไปทำอะไรมาก็ไปอาบน้ําซะจะได้จะได้นนหมดจดจะได้สะอาดบริสุทธิ์เลยก็อาบไปอาบไทั้งตายนะก็มีให้เราพบเห็นเยอะแยะไปเรื่องที่ไร้สารละแล้วก็ไม่ไม่ไม่ไมไมีเป็นเหตุเป็นผลอะไรเลยทั้งๆที่มีมีศาสนาเเรียก ว, ว่าพระธรรมยังอยูย่นะถ้าพระธรรมศูนเมื่อไรเราเราลองหลับตาดูดิเราจะเป็นยังไงเนี่ยไม่ต้องคิดอะไรดูเช่าเขาถือผีกันอยู่ทุกวันเนี่ย ไม่รู้จักศาสนาพูดไปยังไงเพราะว่าผู้ผู้บรรยายเคยไปเคยไปเดินทุ่งมาแล้วไม่พบไปเห็นมาแล้วถ้าเราเป็นอย่างนั้นจะเป็นยังไงเนี่ยบุญก็ไม่รู้บ่าวก็ไม่รู้กิงกันไปอยู่กันไปแก่กันไปตายกันไปอยู่อย่างนั้นน่ะแล้วก็ไหว้ผีไหว้สางอะไรตัวก็ไม่รู้เนี่เขาเรียกคนไม่มีศาสนาเราเองอยังดีนะ เรายังมีพระธรรมเนี่ยคอยชี้คอยแนะคอยนําให้นั่นถูกไอ้นี่ผิดต้องทําอย่างนี้ต้องทําอย่างนั้นตามหลักเขาเรียกว่าเราเนี่ยยังยังยังยังยั ง, ย, งยังโชคดีถ้าพูดภาษาเราคือโชคดีแต่แต่ถ้าพูดตามภาษาธรรมะเขาเรียกว่าปฏิรูปรเทศวะโสจักระคือเราเกิดในประเทศที่สมควรประเทศที่สมควรหมายความว่าหนึ่งร่างกายเราเป็นมนุษย์คืออาการตอที่สอง สองเาเรียกาอานันทสองที่หนึ่งก็คือร่างกายครบอากาศที่สองมีโชคดีของเรานะไม่พิกรพิการไม่บ้าไม่บ่ายไมมิโกนจลิตก็โชคดีแล้วละ่ะข้อที่สองสปายะคือการอยู่อาศัยการกินการบรรเทาทุกข์สังขารก็ไม่ขัดแแค่มีน้ำมีอาหารเขาเรียกสปายะคอยบรรเทาทุกข์ชีวิตอยู่นี่โชคดีของเราแล้วข้อสุดท้าย เรามีศาสนาไว้คอยชีย้คอยแนะคอยตักคอยเตือนโชคดีพุทธเจ้าจะบอกว่าถ้าใครเกิดได้ทั้งสามอย่างนี้ถือว่าคนนั้นเกิดอยู่ในประเทศอันสมควรและเรารู้อย่างนี้เราเลยจะปล่อยเ ร, เราจะปล่อยชีวิตให้เราโง่ไปเหรอเซอร์ไปเหรอหรือปล่อยให้อวิชชาคือคือปฏิเสธอะไรต่ออะไรไปเรื่อยๆอย่างนี้เหรอเราฝุ่งไม่ ในฐานะที่เราเป็นพุทธบริษัทเป็นบุตรแห่งโคตม์เป็นผู้ที่จะรับรู้อะไรได้แล้วมีชันสาูของยี่สิบปีขึ้นไปในอันที่จะรับรู้ว่าอะไรเป็นอะไรจะต้องศึกษาค้นคว้าสร้างความเข้าใจขึ้นเพื่อเป็นคันลองของชีวิตปกครองชีวิตเขาเรียกว่าตามภาษาโลกเขาเรียกว่าเรามีนิติศาสตร์คือการห้าปรา่งชีวิต เรามีรัฐธศาสตร์คือการปกครองชีวิตขึ้นถ้าอยู่ตรงนี้เราก็เรียกกันว่าเรามีศีลมีสมาธิมีปัญญารู้จักคุณและโทษอะไรที่เป็นคุณเราก็เพิ่มภูมชีวิตอะไรที่เป็นโทษเราก็ปล่อยวางไปนั่นคือผู้ฉลาดก่อนที่ชีวิตเราจะจบสิ้นเป็นอนัตตานะเพราะฉะนั้นเรื่องของจิตผู้ปฏิบัติต้องพึงศึกษา สร้างความเข้าใจขึ้นก่อนที่วันเวลาผ่านไปะจะจบคือในสามเดือนเราจะมีการเรียบเรียงเรื่องราวให้ข้อคิดให้สติให้ปัญญาแล้วก็ฝึกขาดร่วมกันเป็นสุขาสังคาักคือสามัคคีไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยจนกว่าจะครบสามเดือนอย่างยกตัว อ, อย่างให้ฟังว่าเออจิตเป็นยังไงอารมณ์เป็นยังไง เมื่อเรารู้จิตรู้อารมณ์แล้วมันจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างจะบรรเทาตรงไหนจะดีตรงไหนจะร้ายตรงไหนเนี่ยเราก็จะมีความเข้าใจขึ้นต่อไปที่เราเคยยึดถืออะไรที่เรียกว่าไร้สาระไม่มีประโยชน์มันก็จะมีประโยชน์ขึ้นเขาเรียกว่าชีวิตเราจะเป็นสาระจะไม่เป็นชีวิตที่เป็นหมคคู่ขาดผมเองนะนะอยู่ตรงนี้มาสามสิบกว่าปีเนี่นะผมยังนึกสงสารวัดบางวัด บวชมากินมานอนกันแล้วก็สึกไปได้เวลาก็สึกสิขังฝัจกขามิกีหิตีมังทะเลานู่นเกกลับบ้านเงียบไม่รู้อะไรเลยสามเดือนบวชมาไม่รู้อะไรเลยรู้ว่าเออต้องห่มจีบอยอย่างนี้ต้องทองจีบอยอย่างงี้ต้องฉันอย่างงี้ต้องสวดมนต์แค่เนี้ยแต่เรื่องจิตเรื่องลมไม่รู้เลยผมยังนึกสงสาร สงสารภิกษุเหล่านั้นที่เรียกว่าเขาเรียกว่าละะก้าวเข้าไปผิดเลยผิดทั้งสามเดือนแต่ที่นี่เราไม่อย่างนั้นเราไม่ใช่อวดดีเราไม่ใช่โอดดชโหดแต่ว่าที่นี่เราจะต้องทำไปตามนิสัยที่เราขอคือเราขอนิสัยพลาดยังไงเราต้องทำอย่าม่ขี้เกียจขี้คลาดไม่ได้ขี้เกียจขี้คลา ด, ด, ด, ด, ดไม่ใช่หน้านที่ภิกษุ หน้าที่พิสูจต้องสดวดมนต์ไหวพระพานาพิจนารณากรรมฐานเรียกว่าพระปฏิบัติอยู่ในขอบเขตของพิสุที่มีศีลมีสมาธิมีปัญญาขึ้นถ้าเราไม่ย้ำไม่เตือนไม่นำไม่สัส่งสอนกันเนี่ยเราก็จะเราก็คง จ, จะเหมือนกับวัดต่างๆได้เวลาก็สิขังป จ, จะขามีไป ในเวลาก็มาเอตาหางพันเตกันอะไรประเภทยอย่างนั้นครบยี่สิบก็มาเอตาหางกันในเวลาก็สิขังพัจะขามีไปอะไรอยู่อย่างเงี้ยเป็นประเพณีที่เรียกว่าเหล็กเขาเรียกว่าเหล็กจมน้ำสนิมเกลอเลยเพราะฉะนั้น เราเราเราเราถือว่าเออเราตรงนี้เราเราเราเป็นหน้าที่นะหน้าที่ของเราก่อนหลับก่อนนอนก่อนคิดพิจรารณารูปกันเพื่อให้ลงตัวในลักษณะว่าอันนี้จังทุกขังอนันตาเรียกว่าพระไตรลักษ์บรรเทาชีวิตกันในลักษณะของกายกรรมวิีกรรมมนโนกรรมทาราบันเทาชีวิตของเราด้วยกายกรรมวิีกรรมมนโนกรรมเขาเรียกวคลี่คลายกรรมให้แก่ชีวิตของตนในขณะที่เราเกิดมาในชาตินั้น มันจะบางขึ้นแต่ไม่ใช่ว่าสะสมการมสะสมการมกลายเป็นหนักขึ้นหนักขึ้นไม่งั้นพระเจ้ากะจะกลาไว้จิตสี่ดวงเหรอจิตใต้น้ํากลางน้ํากําลังจะพ้นและพล้นน้ำสี่จิตนี่วาละต่างกันเลยจิตที่ฉลาดคือกาลังจะพ้นและไม่ผลและที่ผลไปแล้วจะรู้จักขมาคลี่ขายชีวิตของตนให้เบาบางเรื่องของกายกรรมและจิตกรรมน้ำกรรม แต่ถ้าถ้ากลางด้ากนต้าน้ น, านก็คือภาสะสมนี่เก่านี้ใหม่นี้นี่ใหม่นี้เก่าเขาเรียกว่านี่เวนี่ก่รมหรือเราเรียกว่าบรทองเวนทองกรรมเรามีหลายๆอย่างที่เราจะมาพูดกันตรงนี้แล้วก็สร้างความเข้าใจในฐานะที่เราเป็นสหธรรมหรือว่าสามารถกีกันอยู่ในบริเวณของวัดหรืออาราม ในสามเดือนเนี่ยเราจะต้องกลมเกลียวรับฟังสร้างความเข้าใจเพื่อให้เป็นสัมมาทิฏฐิมีความคิดเห็นที่ถูกต้องไม่ใช่มาอยู่กับแบบมิจฉาทิฏฐิมีความคิดเห็นที่แตกต่างเหมือนอย่างผู้บรรยายกาลังฟังในทุกพจนก็ได้ยินได้ฟังหมดนะพระในแม่ชีญาติโยมได้ฟังชัดเจนตั้งแต่คำแรกถึงคําสุดท้ายผู้บรรยายบรรยายยังไงให้เหตุให้ผลยังไงให้ข้อคิดยังไงเหมือนกัน เราก็ต้องไปกั่นกลองเหตุผลให้เข้าใจเ้าเรียกว่าอะไรรวมหมู่ให้เป็นสงรวมองค์ให้เป็นสัจจารวมเดชธรรมะให้เป็นปัญญารวมศาสนาให้เป็นองค์เดียวกันเราจะได้เป็นพิกษุที่เสมอด้วยพิกษุไม่แตกต่างในความพิกษุขหรือความประพฤติและเราจะเมื่อเราออกพรรษาเรามีเราอาจจ ะ, ะมีเวลาที่จะต้องไป ท, ทําธุระหน้าที่แล้วก็อาจจะภูมิใจเออเราบวชมาเราก็ได้ทําหน้าที่ของเรา อาหารพระเจ้ิสยังยาจามะนี่เราเราเราเรักของเราเราก็ทํำของเราะเราไม่โกหกพระพุทธเดจ้าเราไม่โกหกคุณพ่อคุณแม่เราไม่โกหกคุย่าตายายหรือวอ่าญาติพี่น้องทั้งหลายที่โมทนาในวันอุปสมบทของเราเราก็าจะปูุกใจว่าเราเป็นพิสูจ์ที่อ่อนโยนอ่อนน้อมไม่ดื้อดานไม่แข็งกระด้างไม่หลีกเลี่ยงในหน้าที่ของตนทนอยู่ในธรรมะ ถึงจะปวดจะเมื่อยจะมีเวทนาก็ดีกับไปทนอยู่ในความเป็นอะไรเป็นสัตว์อย่างสุนทีที่ยกตัวอย่างให้ฟังอสุนัขมันเห่ามันหอนกันนะ่ะถ้าเราไม่เกิดตรงนั้น่ะมันต้องใช้เวลาทนขนาดไป น, นะใช้วันเดินปีอยู่กับสิ่งเนี้ยเมื่อหราจะตายเมื่อหราจะถ่ายทอดกรรมตัวนี้ออกมาโดยที่กําหนดไม่ได้เขาเรียกอนาคต แต่ถ้าเราจะทนของเราอยู่ตรงนี้ทนนั่งสมาธิเดินสมาธิยืนสมาธิทนเรียบเรียงเรื่องราวของคุณธรรมต่างๆเนี่ยถึงมันจะปวดจะเมื่อยถึงมันจะอะ่าอ่าอ่าเลยเวลาไปบ้างในสิ่งที่แต่ก่อนนี้เราเคยเป็นเลยว่าเคยสองทุบสทุบนอนเลยแต่เราก็พยายามที่จะเรียบเรียงสิ่ง น, นี้ให้เข้าใจแนะอีกอย่างหนึ่งก็คือหัดทําตนเป็นคนที่เรียกว่ามีสัิจับคือมีอาหารคือรู้ความจริงขึ้น เขาตรงนี้ทมพระเจ้าองค์นะ่ะได้ชื่อว่าทำสัจจะคือให้ความจริงเรามาสู่ความเป็นจริงเราต้องพยายามหาความจริงให้ได้ถึงจะไม่จบวักจบตอนของชีวิตแต่เราก็เอาละพอได้พอได้เป็นมนุษย์ที่ดีกับเขา อ, อ น, น้อม อ, อนโยนต่อบุคคลต้องอยู่ใกล้ชิดเขาเรียกพูดดีคิดดีเออเฟือดีกับเรื่องราวต่างๆในอนาคตนะ เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือเรื่องของจิตต้องต้องพยายามเรียบเรียงให้ถูกเมื่อเรียบเรียงจิตถูกเข้าใจถูกคือคือสิ่งที่อาศัยก็คือกายเวทนาจิตแล้วก็ธรรมแต่เรื่องที่เรียกว่าเรากําลังทําความเข้าใจกันอยู่แล้วต่อไปเมื่อเราเข้าใจคือผู้บรรยายได้ญญพยายามที่จะ ขมวดเรื่องราวท่านสั้นและก็ให้เข้าใจเช่นหน้าที่ของเราเวลานี้คืออะไรสร้างความเข้าใจกับเรื่องของกายเราไม่ต้องไปสนใจกายของใครกเขาหับข้างๆกันนะไม่ต้องสนใจกายเราสนใจนิสัยของกายเราสนใจวาจาเราสนใจนิสัยวาจาเราสนใจจิตเราสนใจเรื่องราวของนิสัยของจิตเราสามข้อเนี่ยสนใจให้มากๆแล้วจะรู้จัก อะไรดีอะไรไม่ดีอะไรควรทําอะไรไม่ควรนี่คือขมวดเรื่องราวต่างๆให้สั้นลงแล้วก็ให้ได้ใจความแล้วเมื่อเราได้ใจความแล้วต่อไปเราก็จะเป็นพิสูจนที่อะไรหน้ากราบหน้าไหว้หน้าเคารพหน้านับถือเป็นเยื่ยงอย่างแก่ตัวเองและผู้อื่นอีกด้วยถึงแม้ว่าเราจะไม่เป็นตัวอย่างแก่ใครแต่ต้องเป็นตัวอย่างแก่ตัวเอง ปกติที่นี่เนี่ยสอนพาสุดดงนะไม่ใช่สอนพิสูจนสามัญ น, นะใครมาอยู่กับผมเนี่ยสอนเรื่องสะดวกขึ้นก็เลยสอนก็เลเรื่อยมากเลยมากขึ้นสอนเรื่องพาสุดงสงงสงดงที่จะต้องออกจาลิสูประโยชน์ของอื่นและประโยชน์ตนก็คือการเดินสุดดงอยู่ป่าโคนต้นไม้สี่แจงบ้านล้างแล้วเราคงจะได้เข้าใจถึงเรื่องพาสุดดงที่ ที่พระท่านคงจะพูดให้ฟังมาเลิกทุดงเป็นเรื่องอย่างไงจะต้องให้ให้บุคคลที่ไปนี่ยจะต้องมีความอดทนอดกลั้นทนทุกข์อะไรต้ออะไรสาวพัดเ้าเรียกว่าฝึกฝึกพิษุสคจนี้ให้เป็นฤาษีคือคื อ, ค, อคือทนหน่อยแล้วก็ฝึกพิษสู์นี้ให้ให้ให้ให้เป็นพระพุทธองค์คือให้มีปัญญาสองอย่างคู่กันไปหนึ่งต้องทนสองมีปัญญาถึงจะไปทุดงได้ ทนอย่างเดียวไม่มีปัญญาก็าไปไม่รอดมีปัญญาอย่างเดียวไม่ทน้าไปไม่รอดอาจจะไปทําอะไรต่ออะไรเรื่องราวสิงที่พระสุดมิไม่ควรทํเพราะฉะนั้นตรงนี้คือการกลางจริงๆแล้วคือสอนพระสุดมิให้เป็นผู้รู้จักคําและรักษาศีลรักษาสมาธิรักษาปัญญาคือรักษาจิตอะไรอย่างนี้นอะไรพอสมควรนะอ่าก็ให้ให้ไอ้พระเนรไม่ชี้ญาติโยม มีสติมีปัญญาให้สมความปรารถนาที่ทราบั้ ง, ง, งใจ